สิ่งกอ่อสร้างก็คือการกอร่อสร้างตอนนั้นเองไอ้ที่คาว่ามันเป็นหงช่วยดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กอ่อสร้างมาเสมอไปหรอกที่ว่าไม่ดีเพราะเราไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็ว่ามันดีเข า, า จ, จะปลูกสูงใหญ่โตกับเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่เกี่ยวกับเราเพราะนั้นถ้าเรารู้จักยอมรับว่าอ๋อนี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะต้องปลูกจะต้องกอ่อสร้างให้สูง อาศัยความจําเป็นบางอยา่างเพราะสมัยนี้เนี่การก่อสร้างโดยเฉพาะในเมืองหลวงนี่ยปลูกชั้นเดียวแหละไม่เพียงพอแล้วเพราะรอบข้างเนี่ยมันเป็นตึกสี่ชั้นห้าชั้นเนื้อที่มันก็แพงก็ต้องอาศัยต่อๆกันไปข้างบนนเราอาจจะไม่ค่อยชอบได้ด้วยอ๋อนี่บังลมอ๋อนี้บังแดดบังสายตาอันนี้เป็นเรื่องของเราต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวกับเขา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 ในโลกสมมุติเนี่ยเขาก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วเขาคงจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายคนที่เข้ามาในชมรมเนี่ยก็มีความเห็นหลายอย่างบางคนก็เออตึกนี่สวยนี่เนะาะสร้างตงสูงช <thing ton> มรมเนี่ยจะได้มีเพื่อนคุณธรรมมากมายพระตูต <c oughs> งสูงจะมีคนมาอยู่มากมายอย่างน้อยก็สองรอยชีวิต<ะ>แล้วคะ่ะจะมาเป็นเพื่อนของเรานะคะมีคนอยู่มากมายโอ้สบายเลยที่ว่าสบายเพราะว่าต่อไปเนี่ย ตึที่มาสร้างใกล้เราแล้วมีคนอยู่หลายคนเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าชมรมที่ทําอะไรว่านี่เผยแผ่ธรรมะนี่ยเขา จ, จะสนใจธรรมะบ้างก็ได้ผ่านไปผ่านมาว่านี่มีธรรม ะ, อะเอาซีดีไปฟังก็มียังไงก็มีนะมีคนคิดนะแต่บางคนก็คิดว่าโอ้นี่มันบางหมดเลยเนาะทําให้ชมรมเพื่อนคนทนํานี่มันเหลือนิดเดียวอันนี้เป็นความคิดหลากหลายสรุปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจัจัยเราทั้งนั้นรเราจะมองสิ่งนั้นไปในทาง บวกนี่ในทางลบถ้ามองไปทางบวกเออผู้มองก็มีความสุขถ้ามองไปทางลบก็คิดจะแก้ไขคิดแก้ไขสิ่งภายนอกไม่ได้แก้ไขใจเราให ย, ยอมรับความจริงเรื่องหงจุย้ยเรื่องสถานที่ตั้งเนี่ยมันมีมานานแล้วต่อไปก็จะมีงี้เรื่อยๆไปมันเป็นเรื่องของสมมุติอยู่ที่ใจเราต่างหากถ้าเรายอมรับได้แล้วก็มันไม่มีปัญหาถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยก็มีปัญหาล่ําไป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 เขามีไว้เพื่อที่จะให้เราระบางให้เรามีสติอย่างเช่นก um ่อนจะออกจากบ้านนี่เสียงกิ้งจกดังขึ้นมาเนี่ยอ๋อที่จาก็ <Italia> no. ท <Pre> ักแล้วเพราะอะไรเพราะที่เราเผลอรีบออกจากบ้านขาดสติเนี่ยประตูก็ไม่ได้ปิดน้ำไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ปิดเห็นไหมจิ้จกทักให้เรามีสติรู้ว่าอ๋อเรากําลังจะออกจากบ้านนะการจะออกจากบ้านต้องทําอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกทักแล้วโอ้เราจะโชคไม่ดีก็็จะออกกกไไปปเเเลยยยวััันนนนน้ีีมสสงาาร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 วันไว้หรือว่าความเป็นอยู่ในชุดของเรามีอันเป็นไปได้ครับถ้าหงจุ้ยดีแต่ถ้าคนประพฤติไม่ดีอะค่ะมันก็ไม่ดีหงจุ้ยดีความทุกอย่างเลยแต่ถ้าคนที่อยู่เนี่ยมีแต่ความโลภความโกรธความหลงกุดงิดปุดอาบัดเคลื่อนทะเลาะเบาแวงกันทุกวันเนี่ยจะไปโทษหงจุ้ยไม่ดีไม่ได้ต้องโทษว่าใจเราต่างหาที่ไม่ดีคืออยู่กับคนที่อยู่เป็นสําคัญสังเกตดูคนบางคนเนี่ย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 ต้องโทษคนอยู่เป็นคนสําคัญถ้าเรามองหงจุ้ยในมุมนี้เนี่ยค่อนข้างชัดนะคะ<ม>ว่าบ้านที่ใหญ่โตก็รู้อลังการหลายร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในนั้นจะมีความสุขเสมอไปครับอันนี้ก็ถามว่าเป็นหงจุ้ยที่ดีไหมก็น่าจะเป็นห่งจุ้ยที่ดีนะคะแต่ ถ, ถ้าเป็นคนทั้งโลกเขาจะคิดยังไงลุงพี่คะอาจารย์เขบอกบ้านเนี้ต้องมีอะไรที่มีหงจุ้ยผิดจะต้องมีการแก้หงจุย้ยอันนี้เรื่องไม่ไกลตัวเลยนะคะอาจารย์ร บ, บ้านใกล้ๆบ้านเราในซอยนี้เองเนี่ยนะคะ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 ถึงแม้ว่าผู้มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีจะได้แก้ไขให้ตามหลักวิชาการหวงจุ้ยแล้วก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกรรมของบุคคลได้บุคคล<ช>เนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆนะคะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตใจจะอ่อนแอวันไหวได้ง่ายถ้าเขาทัดโอ้เราก็เครียดถ้าเขาชมแล้วก็ชอบชอบเพราะนั้นใจเราวันไหวไปตามอารมณ์ที่เขา ชอบเขาก็พูดกับเราดีๆเขาก็แนะนําสิ่งที่ดีๆเราก็ชอบแต่เขาทักว่ามันจะไม่ดีเนี่ยเริ่มใจเราไม่ดีแล้วค่ะไเนี่ยเพราะว่าใจเราไม่มั่นคงถ้าเราบั่นคงสักอย่างนี่อะไรก็ไม่ทําให้เราอ่นไหวได้ใช่ไหมคะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองค่ะเนี่ยแสดงว่าจิตใจอ่อนแอถ้าคนที่เขามีสติมีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทาอะไรเนี่ยทําอะไรดีที่เขาทำอยู่ที่เขาทาอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วดีแล้ว คนอื filter, น่นมาทักนี่มันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราอย่างเช่นก็บอกว่าอ่ะก้อนหินนี่มันไม่ดีนะเนี่ยวางว่าตรงนี้มันไม่เหมาะวางมาตรงโน ôn, ้นค่ะมันเหมาะของเราอะวางตรงนี้มันเหมาะแล้วมันไม่เกะกะเออเราลองไปเชี่ยวกัสิวางตรงโน้นโอ้ล้วก็ยังติดใจอยู่ตรงนี้มันก็ดีกว่ามันอยู่ที่ใจเราบ้งางฮนะฮวงจุ้ยดีเนี่ยอยู่ที่ใจจริงๆนะคะอา<ใ> จ, จารย์ <lem> ถ้าอะไรที่เราเห็นแล้วเราสบายใจ น, นั่นแหละคือหวงจุ้ยที่ดีสําหรับเราครับแต่ถ้าอะไรที่เราเห็นแล้วเราสุก อัดขัดใจขัดตาอันนั้นแนะหะหงจุ้ยที่ไม่ดีสําหรับเราจริงๆนะค ะ, ะอาจารย์จําได้ไหมคะสมัยที่เราอยู่ที่บ้านชมลมหลังเก่านะคะ่ะใครมาเนี่ยที่เป็นหมอหงจุ้ยหรือคนที่มีความรู้ทางด้านหงจุ้ยทั้งหลายเนี่ยก็จะทักหมดเลยจุดที่อาจารย์นอนเนี่ยไม่ดีนะฝ้าเนี่ยมันเป็นหลุมลึกเข้าไปมันจะทําให้การไหลเวียนของพลังงานนี้มีผลกระทบต่อคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นแต่อาจารย์นอนตรงนั้นมาหลายปีก็มีความสุขดีนะคะ อ๋อเนี่ยมีแต่คนทักว่าไม่ดีนะเรงนี้ไม่ดีผมเห็นรู้สึกอะไรเลยใช่ดิฉันเองก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอูแล้วมันก็ดีไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกอะไรในทางลบนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่มองฝ้าที่มันเป็นหลุมขึ้นไปเนี่ยจิตใจรู้สึกมีความสุขสดชื่นเพราะเรารู้สึกเราเราเราชอบอะฝ้าสูงสูงแล้วมีความลึกเข้าไปดูแล้วมันสบายใจยังไงบอกไม่ถูกอะไรก็ตามที่เราอยู่อาศัยหรือเราใช้มันถ้ามันไม่มาขัดขวางการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็มันดีทั้งนั้นนะ ถ้ามันขัดขวางเกะกะแล้วก็ย้ายออกไปแล้วแต่ว่าเราอาศัยความเหมาะสมของตัวเราต่างหากสีนี้ไม่ดีแต่เราชอบอะเราดูทีไรเราก็สบายใจทุกอย่างเนี่ยมันก็ อ, อยู่กับความสะดวกสบายที่เราจะต้องเอามาใช้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยดีไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นนะคะมาถึงตรงนี้ก็คงจะต้องแลกเปลี่ยนกับเพื่อนของเราละค่ะว่าเรื่องหวงจุ้ยอาจจะเป็นศาสตร์ที่ มีคนศึกษาค้นคว้ามายาวนานและอาจจะมีผลต่อความเป็นอยู่ของใครหลายคนอาจจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนมากมายในวงกว้างแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าอาจารย์เหนือห่วงจุ้ยก็ยังมีเรื่องของคุณธรรมนะคะค่ะถ้าเราเป็นคนดีมั่นคงในความดีทำแต่สิ่งที่ดีห่วงจุ้ยที่เขา ว, ว่าไม่ดี ก็ไม่ได้จะทําอะไรเราได้นะคะครับผมเห็นมีคนที่ฐานะยากจนเขาอยู่แบบสบายๆก็มีมากมาย ค, คนที่มีฐานะร่ํารวยมั่งคัง่งแต่ว่าชีวิตจะมีปัญหามากเพราะนั้นอย่าไปโทษสิ่งภายนอกสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีนั่นก็ อ, อยู่ที่จิตใจมุมมองของเราถ้าเราอยู่แล้วเรามีความประพฤติดีจิตใจดีมันก็มีความสุขไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแม้แต่อยู่ในเรือนจํำนะ ถ้าก็รู้จักว่าอ๋อนี่มันเหมือนบ้านเรานะเราอยู่ให้เหมือนบ้านเราชี้ยุดแบบบ้านเราเขาก็มีความสุขแม้ในเรือนจําแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเรือนจำํำในตึกใหญ่โตอยู่สูงแต่ถ้าจิตใจก็มีแต่ความเครียดความทุกข์ความเศร้าหมองสู้คุณอยู่ในเรือนจําไม่ได้แล้วใครจะ แ, กแลกละคะเ้าบอกว่าถ้าที่เราคับแคบคให้นึกถึงเรือนจํา เราจะรู้สึกว่าโอ้ในจิตจำนี่มันแยกแกันนี้นะค่ะนครับแค่แค่นี้เราก็ยังอยู่ได้เขาจึงบอกว่าให้รู้จักการวางกิตอย่ให้ถูกต้องการวางใจสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นหวงจุ้ิดีแท้จริงนั้นก็คือการมีสตินี่แหละค่ะสติเนี่ยมันจะทําให้สถานที่อยู่ของจิตที่ปลอดภัยค่ะไม่จะเป็นต้องบ้านใหญ่โตรู้หลาตามคนนู้นคนนี้บอกว่าอย่างนี้ดีไม่ดีค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือถ้ามันดีนะ ต้องดีกับทุกๆคนด้วยเป็นมาตรฐานใครมาอยู่ตรงนั้นก็ต้องดีต้องดีทุกๆคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอาจารย์ ม, มีข้อมูลเบื้องลึกนะคะ <c oughs> ที่เคยอ่านพบเจอมาในหนังสือของทางจีนนะคะเขาจะบอกว่าถึงฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเนี่ยนะคะอาจารย์ตัวฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเองนะคะคเปลี่ยนเองโดยธรรมชาติได้ถ้าคนที่อยู่อาศัยในอาคาร น, นั้นหรือที่ดินผืนนั้นเนี่ยทําความดีมากขึ้น ทำความดีเพิ่มขึ้นฮวงจุ้ยรอบตัวที่เคยไม่ดีเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นหวงจุ้ยเองก็เป็นความไม่เที่ยงไม่ใช่หวงจุ้ยนี่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงอามาตะนิรันดร์กานะคะแม้แต่หวงจุ้ยก็อยู่ในกฎของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับมีอันเป็นไปที่จะให้หวงจุ้ยนั้นแนหะมันเปลี่ยนไปถ้าเราทําความไม่ดีหรือทําความดีเพราะฉะนั้นแรงของหวงจุ้ยเนี่ย ไม่ว่าจะแรงขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่ไม่แรงไปกว่าคุณธรรมของบุคคลถ้าบุคคลประพฤติคุณธรรมสูงส่งมากพอหวงชุ้ยที่ว่าไม่ดีจะปรับเปลี่ยนเป็นดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลมีคุณธรรมที่ถดถอยด้อยลงไปหรือไปทำกรรมชั่วซะเลยทีเดียวเนี่ยหวงชุ้ยที่เคยดีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทางร้ายจริงๆแล้วฮวงชุ้ยเป็นผลนะคะคไม่ได้เป็นเหตุ แต่คนไม่ค่อยมองตรงนี้กันค่ะาการอยู่ในโลกเนี้เราต้องอาศัยสติปัญญ า, <S S าเพราะในโลกนี้มีสองอย่างคือมีสมมุติกับมีปรมัตดสติปัญญาทั้นที่แยกแยะว่าอันนี้คือสมมุติอันนี้คือของจริงอันนี้คือคุณค่าแท้อันนี้คุณ ค, ค่าเทียมเราอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต่อต้านสมมุติให้อยู่ในโลกสมมุติด้วยสติปัญญาใช้สมมุติที่ถูกต้องแต่ก็อย่าไปยึดติด คนที่มีสติปัญญาเนี่ยอยู่ในโลกสมมุติมันก็ไม่ติดสมมุติจะอยู่เหนือสมมุติแต่ทําหน้าที่กับสมมุติให้ถูกต้องเพราะทุกอย่างในโลกเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรอกเรามาอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านโลกนี้ไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่มาสร้างที่หลังมาสมมติขึ้นทย่างนั้นเลยที่จริงมันไม่มีอะไรมันก็เป็นโลกธรรมดาที่เราสมมุติว่าเนี่ยที่ของเราบ้านของเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของสมมติเท่งนั้นถ้าใคร